โดยช่วงเวลาเหมาะสุดในชาติหนึ่งๆของเขาจะเป็นต้นชีวิตเนื่องจากมีจิตหนักแน่นคิดทำทานทันทีที่เห็นพระทุดงโดยบังเอิญอย่างไรก็ตามอดีตคนบ้านป่า น, นั้นโดยปกติมีจิตตรณีไม่ได้มีใจคิดให้ทานเป็นนิสจะทำบุญต่อเมื่อมีความเลื่อมใสใหญ่ๆและมักจะเป็นไปในทำนองบังเอิญพบเขาติดนิสัยทาบุญโดยไม่ตั้งใจไว้ก่อน